ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสถามปัญหาอื่นสืบไปเล่าว่าพันเตนาคเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบไปด้วยยานปรีชาภาสิตังเจตังพะควตาถ้อยคำนี้สมเด็จพระพิชิตามานโมลีมีพระพุทธดีกาตรัสไว้ว่าพิกเขเวดูกะระภิกษุทั้งหลายขีหิวา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 ก็แล้วด้วยผ้าย้อมฝาดกระทําให้เสียสีสมาทานศีลสองอยี่สิเจ็ดประการสมาทานธุดง13สิบสามต่อปฏิบัติดีจึงจะได้มรรคผลธรรมวิเศษอาศัยแก่ปฏิบัติเป็นต้นเหตุโกวิเศโสบันพชิตจะวิเศษกว่าครหัดที่ข้อไหนตะโปกรมมังอันว่าตะปะกรรมคือศีลที่รักษาไว้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 ค้รืหัสเขาไม่ได้ความลำบากเลยเขาก็ได้มักได้ผลเหมือนกันก็นี่แหละโยมเห็นเชนนี้ว่าเป็นคฤารืหัสอยู่ดีกว่าไม่ใช่หรือพระนาคเกษ็จจริงถวายวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารมีพระพุทธดีกาโปรดประทานไว้ว่าค้รืหัสก็ดี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 วิเศษกว่าคารวาดนั้นณสักกามิอาจประมาณมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดแก้วมณีกามทะทัตสะอันให้สำเร็จซึ่งความปรารถนาทั้งปวงเป็นแก้วมโนหะจินดาใครหนออาจสามารถที่จะตีราคาได้ยะถามีครุวนาฉันใดก็ดี คุณแห่งบรรพชานี้มีมากนักหนาอัตมามิอาจนับจะประมาณได้มีอุปไมเหมือนแก้วมณีอันมีราคานั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งเปรียบปานดุดคลื่นมาะลอกในสมุทันใหญ่บุคคลผู้ใดไม่อาจสามารถประมาณได้ฉันใดก็ดีอัตมาภาพมิอาจประมาณคุณแห่งบรรพชานี้ได้